สิกขาบทที่9เรื่องพระชัพพักีหก6 36. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพพักีแสดงธรรมแก่คนถือสาตราพระบัญญัติ 9. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นใข้ผู้ถือสัตราเรื่องพระชพคีจบ สิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าสัตราได้แก่เครื่องประหารมีคมข้างเดียวมีคมสองข้างภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถือสัตราภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถือสัตราต้องอบัตทุป ก, กฎอนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติ3ภิกษุผู้ไม่รู้4ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องหกภิกษุวิกลจริตเจ็ดภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่เก้าจบ